ตัวในครั้งหนึ่งนะว่าพ ม, มเทวดาก็บลือบลือเสียงว่าเออเนี่ยธรรมจักเนี่ยไม่มีใครปฏิวัติได้จริงๆอนุตรังธรรมจักกังอปติวัตติยังเนะนะก็คือเป็นธรรมจักที่ยอดเยี่ยมที่ไม่มีใครปฏิวัติได้ท้าวจารตุมก็บอกเออใช่ธรรมจักนี่ยอดเยี่ยมจริงจไม่มีใครปฏิวัติได้พ ม, มะเทวดา ท้าสวรรษชั้นจาตุมสวรรษชั้นดาวดึงสวรรษชั้นยามาดุสิตนิมานรดีปรณิมิตตะวสวดีจนถึงพรหมโลกทุกคนพูดเหมือนกันเลยบอกว่านี่แหละเป็นธรรมจักรที่ยอดเยี่ยมที่ใครปฏิวัติไม่ได้ธรรมจักยอดเยี่ยมที่พระพุทธเจ้าสอนที่ใครปฏิวัติไม่ได้เนี่ยนะก็เลยบอกว่าที่ป่าอิสิ ป, ปตนมฤุกทายวันเนี่ยนะ ช่วครู่หนึ่งในนเสียงก็กระชอนบอกว่าโอ้นี่เทมทรมจาจกที่ยอดเยี่ยมจริงๆที่ใครปฏิวัติไม่ได้ในโลกเนี่ยเสียงเหล่านี้ก็ระบือไปถึงพรหมโลกทั้งหมื่นโลกธาตุนี้ก็ได้วันไหวสะเทือนสถานด้วยแสงสว่างอันยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ปรากฏแล้วในโลกล่วงเทวานุภาพของเทวลาทั้งหลายก็ได้มีแสงสว่างขึ้นเนี่ยนะเร ว, ว่าสว่างถึงโล ก, กันตนร ก, กว่างัน ก็บอกว่าแสงสว่างอื่นๆนี่ตั้งอยู่ไม่นานแต่แสงสว่างในการแสดงธรรมจังนี่ตั้งอยู่นานเนี่ยนะกัง้างว่าตั้งอยู่นานในระหว่างที่บอกว่าพระพองค์ก็เปล่งอุทานว่าอัญญาซิวัตโพโกนทันโยโกนทัญญะ cheesy. ได้รู้แล้วหนาท่านผู้เจริญโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอเพราะเหตุ น, นั้นคําว่าอัญญาโกนทันยะอัญญาเนี่ยแปลว่ารู้แล้วเนี่ยนะรู้แล้วเนี่ยอัญญาโกนทัญยะโกนทัญญะผู้รู้แล้วคือโกนทัญยะผู้เห็นอริยสัจแล้ว ก็กลายเป็นว่าเป็นชื่อของพระท่านโกนทัญญาชื่อว่าอัญญากโกนทัญญะคือโกนทัญญะผู้เห็นอริยสัจตามที่พระพุทธเจ้าแล้วก็ถือว่าได้พยานในขณะนั้นเนี่ยนะก็มีผู้ที่ตรัสรู้เท่าไหร่พรหมเนี่ยสิโกดเนี่ยนะเทวดาทั้งหลายก็มีการตรัสรู้ในณที่แห่งนั้นเนี่ยนะก็มีสาตาคิริยักษ์ฟังธรรมอยู่สาตาคิริยักษ์เนี่ยเขเป็นยักษ์ที่อยู่ในมัชฌิมชนบทเป็นยักษ์ที่อดีตชาติเป็นพระภิกษุ ก็ฟังทำอยู่ตรงนั้นด้วยโอ้ยธรรมจักรนี่ดีเหลือเกินเพราะเหลือเกินคิดถึงเพื่อนเพื่อนก็อยู่ป่าหิมวันเพื่อนเขามีป่ามีบริวารอยู่ที่ป่าก็เล ย, เยจะไปชวนเพื่อนธรรมจักรนี่ดีเหลือเกินเนี่ยอยากจะชวนเพื่อนมาฟังธรรมเห็นมาวัดแต่ยักษ์เขาเป็นยักษ์ที่อยู่ป่าเขาก็เป็นเพื่อนกันอดีตชาติเป็นพระภิกษุทั้งคู่แต่ว่าเนื่องจากว่าทําผิดพลาดบางอย่างก็เลยทําให้เกิดเป็นยักษ์นี่ก็คิดว่าโอ้ยป่าเนี่ยนะป่า ทำไมมันงดงามดอกไม้เบ่งบานแหมสวยสดงดงามดีเหลือเกินเนี่ยเดี๋ยวไปชวนเพื่อนมาเทียงงเท่ยวป่ากันมาเที่ยวป่าทำไมป่ามันงดงามเหลือเกินมันพิเศษแหมหน้ารื่นรมหน้าเพลิดเพลินเหลือเกินก็เลยเหาะไปหาเพื่อนพร้อมกับบริวาร500อีกเพื่อนหนึ่งก็จะเหาะไปหาเพื่อนเลยพาบริวารไป 500. ห้0ร้อเหาะคุยกันอยู่บนโน่นน่ะที่ไหนเหาะกันอยู่บนสนทนากันอยู่ข้างบนกรุงราชครึกยักเข้าคุยกัน บอกว่าเพื่อนๆนะนะเขาบอกว่าเราไปหาพระพุทธเจ้ากันเถอะก็ก็สอบถามว่าพุทธเจ้าจริงหรืออะไรเขาก็คุยกันคุยกันไปคุยกันมาเรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องพระพุทธคุณก็มีอุบาสิกาคนหนึ่งแพ้ท้องก็เลยไปยืนตากลมฟังยักคุยกันเลยบรรลุเป็นพระโสดาวันที่จริงคืนนี้นะคืนอาสาฬหานี่มีค น, นครบรรลุเยอะนะเขาก็มีเนี่ยอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อว่าคราอะไรนะชื่อเรียกย่ำนั่น ก็บรรลุเป็นพระโสดาบันแพทองอยู่เดิดัง้งยืนผึ่งลมตากลมเนี่ยนะบรรุเลยยักษ์ทั้งคู่นี่ก็ประทมพยามผ่านไปก็ประมาณสี่ทุ่มคืนนี้เข้าไปฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปถามปัญหาธรรมะเนี่ยนะไปสนทนาธรรมะถามปัญหาธรรมะจบก็บรรลุเป็นพระโสดาบันกันทั้งคู่เนะี่ยในเหมวัตตสูตรเนี่ยเหมวัตตสูตรสุตรตามนิบาเนี่กล่าวว่าอย่าง น, น, นั้นคืนนั้นเนี่ยก็มีผู้บรรลุเยอะช่วงเที่ยงคืนนี่ยักษ์ก็มาถามปัญหา น, ะนี่พอเช้ามา หลังจากนั้นเนี่ยนะท่านพาระอัญญาโกนทัญญาได้เห็นธรรมแล้วบรร ล, ลุธรรมแล้วก็คือเห็นอริยสัจแล้วบรร ล, ลุอริยสัจแล้วรู้อริยสัจอย่างแจ่มแจ้งแล้วมีอริยสัจอันตนอย่างลงแล้วข้ามความสงสัยในเรื่องอริยสัจแล้วปราศจากถ้อยคําแสดงความสงสัยไม่สงสัยเลยว่าผู้ที่เล่าตรัสรู้อะไรไม่สงสัยในอริยสัจแล้วก็ไม่สงสัยผู้ที่ปฏิบัติเห็นอริยสัจถึงความเป็นผู้เล่ห์กล้าไม่สงสัยแต่ไม่ใช่จ้องหนอยไม่ได้นะ กล้าๆไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําสอนของพระศาสดาไม่ต้องเชื่อคนอื่นในเรื่องอริยศาสตร์แล้วเนี่ยนะได้ทูลคํานี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอข้าพระองค์พึงได้บรรปชาพึงได้อุปสมบทในสํานักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเธอเนี่ยนะเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็คือเธอจงเป็นภิกษุมาเธอแล้วก็ตรัสต่อไปว่าธรรมะอันเรากล่าวดีแล้ว องค์ก็บอกว่าธรรมะที่พระองค์พูดเนี่ยไม่ได้พูดแบบเลี้ยวไหลพูดเลอะเทอะเลอะเรือน เ, เป็นต้นไม่นะสวักขาโตพระกวตาธรรมโมพระธรรมพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจันทร์คือคําสอนอันประกอบไปด้วยศิกขาสามที่เป็นไตเพื่ออริยมรรคเธอจงเจริญสิกขาสามปฏิบัติตามมารยมรรคเพื่อทําที่สุดแห่งวัตถุทุกโดยชอบเธอเนี่ยนะเพราะตอนนั้นพระอัญญาโกนัญญาเป็นพระโสดาบันเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าให้ประพฤติ ในคําสอนที่พระองค์สอนประพฤติตามศิกขาสามเพื่อบรร ล, ลุอริยมรรคที่สูงขึ้นไปเพื่อทําที่สุดแห่งวัตตะโดยประการนั่งปวงพุทธพจน์ที่บอกว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเธอธรรมะอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดนี้เป็นวาจาเป็นพุทธวาจาที่เป็นคําอุปสมบทของท่านผู้มีอายุคือพระอญญาจากรทัญญะนั้น สัว่ผู้มีอายุตรงนี้กับอาวุโสเนี่คนละอย่างกันผู้มีอายุตรงนี้เป็นคําที่พระสังฆีติกาจาันยกย่องนับถือว่าเป็นคนระดับภาษาเราเรียกระดับปรมาาจารย์นัไรเงี้ ย, เ, ยเพราะเป็นผู้ที่ตรัสรู้คนแรกในาศาสนานี้เนี่ยนะก็เลยเรียกว่าอายุสมาผู้มีอายุเป็นคําที่ยกย่องเคารพสรรเสริญมากเนี่ยนยะก็อย่างที่เล่าว่าคืนนั้นก็มีผู้ที่สาตากิริยักเหมวตัตยักพร้อมทั้งบริวารก็มาฟังธรรมแล้วก็บรรลุอีก ต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทานโอวาสสั่งสอนพิสูุ์ทั้งหลายที่เหลือจากนั้นด้วยธรรมีกรถาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าโอวาสสั่งสอนด้วยธรรมีกรถาธรรมีกรถาดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลีปราศจากมนทินก็เกิดขึ้นแก่ท่านพระวัปปะในวันแรมหนึ่งคำ่ำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเต็มพนาก็คือเห็นอริยสัจเหมือนกันคือเนื่องจากว่า หลักการในตอนแรกพระองค์ยังไม่สอนมากว่าเธอจงคิดอย่างนี้เธออยากคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้เป็นมิจฉามาคิดอย่างนี้เป็นสัมมามคิดอย่างนี้เป็นทางผิดคิดอย่างนี้เป็นทางถูกเธอจงละสิ่งนี้เธอจงเข้าถึงสิ่งนี้เธอจงดําเนินตามนี้อย่าดําเนินตามนี้เนี่ยนะที่จริงอ่ะพระองค์เนี่ยทำมีคาถานี่สอนยังไงคือท่านเหล่าเนี่ยไปพิจารณาริยสัจไคร่ครัวอริยสัจพอไคร่ครววผิดทางปับ๊บองค์ก็แวบมาละอย่าคิดอย่างนี้นะไอ้ที่สูงต้องคิดแบบนี้แล้วพระองคก็หายไป ก็จะสอนอย่างเงี้ยบรรลุวรองค์วรองไม่ใช่ว่าเรียกมาเรียกมานั่งเทศอะไรไม่ใช่แต่หมายก็ว่าท่านเหล่านั้นก็ไปเจริญอยู่ของท่านนั่นแหละแล้วพอเขาคิดพลาดป้าพงค์ก็แวะไปแนะนำเนี่ยนะก็แวะก็ในที่สุดก็เห็นอริยสัจตามนั้นมันวันแรมหนึ่งข่ำวัปะบรรลุแรมสองข่ำพัทธิยาบรรลุแรมสามข่ำมหานามะบรรลุแรมสค่ข่ำท้าสชิบรรลุเนี่ยนะพันทุกท่านที่บรรลุเนี่ยทุกท่านที่บรรลุ ก็คือบรรลุก็คือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือทุกขสัตย์ทั้งหลายมีสมุทัยเป็นแดนเกิดทุกเหล่านั้นดับก็เพราะว่าดับสมุทัยนั่นแหละทุกท่านก็เห็นอริยสัจเหมือนกันเมื่อเห็นอริยสัจแล้วเนี่ยนะเห็นธรรมคืออริยสัจบรรลุอริยสัจ ร, รู้อริยสัจอย่างแจ่มแจ้งแล้วมีธรรมะคืออริยสัจอันตนอย่างลงแล้ว ข้ามความสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ข้ามความสงสัยในอริยศัสตร์ข้ามความสงสัยในอดีตอนาคตและปัจจุบันปราศจากถ้อยคำที่แสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้ ก, ล, กล้าเนี่ยนะก็คือมีวิริยะมีความองอาจไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําสอนของภาษาศาสดาเพราะท่านเป็นผู้ที่มีอัจาระศรัทธาเนี่ยนะได้ทูลคานี้ ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอข้าพระองค์พึงได้บรนประชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าเธอทั้งสองก็คือว่าจริงๆวันวั น, วนละองค์แหะเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดแล้วก็ตรัสต่อไปว่าธรรมะอันเรากล่าวดีแล้วนี่นะพระองค์ก็ยังยืนยันนะว่าสวากขาโตนี่ยนะธรรมะเรากล่าวไว้ดีแล้วเธอทั้งสองหรือเธอทั้งหลายจงประพฤติพรหมจรรย์ คือประพฤติศาสนาพรหมจรรย์อธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเพื่อบรรลุมรคพรหมจรรย์เพื่อทําที่สุดแห่งวัตถทุกขโดยชอบเธอเนี่ยนะเพื่อทําที่สุดแห่งกองทุกทำลายกองทุกในนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานทาลายกองทุกที่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยชอบเธอประมาณนี้โดยปกติเนี่ยนะปกติแล้วเขาก็เปลี่ยนกันไปบินทบทเนี่ยนะท่องสอนทีละสองรูป สอนทีละสองรูปโดยมาก3รูปก็ไปบินธบัติฉันอาหารทั้ง6รูปคือรวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยก็เลี้ยงชีวิตนนะบินธบัติสรูปมนะไม่ใช่บินทั้งหมดนะอยู่6ก็จริงแต่ว่าบินธบาติสรูปมันก็สรุปว่าวันที่1ว่าปะบรรลุวันที่สองพัทยาบรรลุวันที่สมหานามาบรรลุวันที่4พระสัชชีบรรลุเนี่ยนะมันวันแรมหค่ำแรมห้าค่ำครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสรับสั่งกับพระปัญจวัคคีว่าตรงเขาบอกว่าเชื่อกันว่าสถานที่ที่พระองค์แสดงธรรมจักก็คือธรรมเมฆสตูปส่วนสถานที่ที่พระองค์แสดงอนัตตลักษณสูตรธรรมราชิกะสตูปเนี่ยอยู่ซ้ายมือเนี่ยนะที่เป็นลานกลมๆอยู่เฉยๆเป็นลานกลมๆเป็นเหมือนกับฐาน JD. เจดีย์ก็ชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยพระองค์แสดงอนัตตลักขณะสูตรว่าดูก่อนที่สูตทั้งหลายรูปเป็นอนัตตา คำว่าอนัตตาแปลว่าไม่ใช่อัตตาเลยนะอัตตาไม่มีในรูปเลยดูการพิสูจน์ทั้งหลายถ้ารูปนี้จะเป็นอัตตาแล้วสายรูปก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออ า, าพาธและบุคคลย่อมได้ตามความปรารถนาในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เธอรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูการพิสูจน์ทั้งหลายก็เพราะว่ารูปเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออ า, าพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาในรูปว่า ขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เธอรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะมันเป็นอนัตตานี่แหละมันจึงป่วยเอาถามว่าใครเนี่ยบอกว่าเออจงเป็นอย่างนี้มีอํานาจมีใครไปสั่งการมีอํานาจแท้จริงอยู่ในรูปไหมบอกไม่มีเลยเพราะก็เนื่องจากรูปมันเป็นอนัตตาเนี่ยนะรูปมันเกิดเพราะอาหารเกิดรูปดับก็เพราะอาหารดับรูปก็เป็นไปตามกรรมจิตอุตุและอาหารแล้วมีใครไปอยู่มีอํานาจใน รูปบ้างมีอัตตาอยู่ในรูปรูปคืออัตตาเป็นต้นไม่ใช่รอกเพราะฉะนั้นรูปจึงเป็นอนัตตารูปไม่ใช่อัตตานะไม่ใช่อัตตาแบบที่เดรธีคิดขึ้นเวทนาเป็นอนัตตาเวทนาก็ไม่ใช่อัตตาเหมือนกันดูก่อนพิสูจนทั้งหลายถ้าหากว่าเวทนานี้จะเป็นอัตตาแล้วไซ เวทนานี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเวทนานี่มันเป็นไปตามภาษานะไม่ได้เป็นไปตามคำขอใช่หเวทนานี่เป็นไปตามภาษาถ้าภาษาดีเวทนาก็ดีถ้าภาษาเร็วเวทนาก็าาเร็วเวทนาเป็นไปตามภาษะเมื่อเวทนามีภาษาเป็นแดนเกิด แล้วใครไปมีอำนาจในเวทนาบ้างมันเวลามันไม่สบายใจคิดเถอย อ, อย่าเสียใจเลยนะใจเอ้ยเนี่ยไม่เชื่อหรอกอย่าปวดซีอย่าปวดเนี่ยยากเพราะอะไรเพราะเวทนาเนี่ยเป็นอนัตตาเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาในเวทนาว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะอะไรเพราะเวทนามันเป็นอนัตตามันจึงป่วยโดยปกติของมันเองเนี่ยนะ คือเวทนามัน ส, สุดแท้แต่พัสส์เพราะนั้นมันจึงเป็นสภาพที่อาภากโดยธรรมชาติของมันเองเพราะนั้นเวทนาเนี่ยเขาบอกว่ารูปรูปนี้เหมือนอะไรรูปเหมือนโรงพยาบาลไอเวทนาเหมือนอะไรเหมือนกับความเจ็บป่วยเนี่ยนะสัญญาคือสมุทฐานแห่งความป่วยไข้วิญญาณก็เหมือนกับคนป่วยสังขารก็คืออาหารแสลงทั้งหลายเนี่ยนะมันก็คือโลกแห่งความเจ็บป่วยโลกแห่งโรคภัยไข้เจ็บก็คือขันห้าเนี่ยนะ สัญญาเป็นอนัตตาดูก่อนพิสูจทั้งหลายถ้าสัญญานี้จะเป็นอัตตาแล้วไซสัญญานี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธถ้าสัญญามันเป็นอัตตานะมันไม่ป่วยหรอกและบุคคลย่อมได้ในสัญญาว่าสัญญาของเราจ้องเป็นอย่างนี้เถิดสัญญาของเรา <sometimes S 1> อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็เพราะสัญญาเป็นอนัตตาฉะนั้นสัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และบุคคลย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาในสัญญาว่าขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เธอสัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยนะก็มีใครเพราะสัญญานี้มีอะไรเกิดสัญญาเชิงเกิดก็เพราะภาษาสัญญาก็สุดแท้แต่ภาษาภาษาย่างหนึ่งภาษาเป็นที่ตั้งแห่งกุศลภาษาเป็นที่ตั้งแห่งอกุศลสัญญาเป็นต้นสัญญาก็เนื่องด้วยภาษามันไม่ได้เนื่องด้วยความปรารถนา สังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาดูกรพิสูจน์ทั้งหลายถ้าสังขารเหล่าน um. ี้จะเป็นอัตาแล้วไซสังขารเหล่านี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ตามความปรารถนาในสังขารว่าขอสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้เธอสังขารของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนสูจทั้งหลายก็เพราะว่าสังขารนี่มันเป็นอนัตตาฉะนั้นสังขารนี่มันจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาในสังขาร ว่าขอสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้เธอสังขารทั้งหลายอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะตัวที่อาพาธก็คืออะไรอาพาธสังขารมันเป็นธรรมชาติที่อาพาธเป็นโดยธรรมชาติของมันเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะมันเนื่องด้วยภาษะและแต่ภาษาภาษาดีสังขารก็ดีภาษาไม่ดีสังขารก็ไม่ดีเนี่ยนะ วิญญาณเป็นอนัตตาดูการพิสูนทั้งหลายถ้าวิญญาณนี้จะเป็นอัตาแล้วไซวิญญาณนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่าขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดวิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูการพิสูจ์ทั้งหลายก็เพราะว่าวิญญาณนี้มันเป็นอนัตตาฉะนั้นวิญญาณนี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และบุคคลย่อมไม่ได้ตามความปรารถนาในวิญญาณว่าขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดวิญญาณของเราเนี่ยอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเนี่นะเป็นไปได้ที่ไหนเพราะวิญญาณเนื่องด้วยนามรูปถ้านามรูปเกิดวิญญาณก็เกิดถ้านามรูปดับวิญญาณก็ดับพรมันวิญญาณที่มันต้องอาศัยแต่นามรูปเหมือนคนไข้ที่อาศัยยาฉะนั้นมันจะเป็นได้ดีอะไรนี่นะมันรูปก็อาพาธเวทานาก็อาพาธสัญญาก็อาพาธสังขารก็อาพาธวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ อาพาธเมื่อสิ่งใดที่มันอาพาธและอัตตาอยู่ที่นั้นได้อย่างไรพระองค์ก็แสดงอนัตตาลักษณะโดยอนิจจ์อ่ขออภัยโดยทุกขลักษณะเนี่ยนะโดยทุกขลักษณะคืออาพาธพระองค์ประกาศอนัตตาลักษณะแล้วต่อไปก็จะแสดงอนิจจาลักษณะและทุกขลักษณะเพิ่มดีกว่า ดูการพิสูนทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเลยนะตัวมันเองก็ไม่เที่ยงด้วยทุกข์ด้วยเป็นสิ่งที่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาตัวมันเองนะไม่เที่ยงแล้วก็ภาระก็เต็มไปหมดแล้วก็ไม่มีใครมีอำนาจจริง ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราไม่เที่ยงด้วยแล้วมันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยนะแล้วก็มันแปรไปตามปัจจัยของมันเองบอกสมควรไหมบอกนั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราควรที่จะมัวเมาโง่เาขางมงายขนาดนั้นไหมไม่สมควรเนี่ยนะไม่ควรอย่างนั้นเลยพระเจ้าข่าบอกเวทนาเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยง เวทนาเนี่ยอาศัยรูปเกิดใช่ไหมเวทนาเนี่ยสุดแท้แต่รูปถ้ารูปดีเวทนาก็ดีรูปไม่ดีเวทนาก็ไม่ดีเนี่ยนะรูปเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาถ้าใครจะกําหนดรู้เวทนาดีจะต้องรู้จักรูปรูปไม่เที่ยงแล้วเวทนาจะเที่ยงมาจากไหนดูความที่สูตรทางหลายเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงไม่เที่ยงด้วยนะ เพราะอะไรเพราะว่าถุกมันก่อนไเที่ยงอารมณ์มันก่อนไปเที่ยงแล้วเวทนามนจะเที่ยงมาจากไหนแล้วเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันสุขจริงๆหรือบอกมันเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงด้วยแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยมีความแปรปลวนไปเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราเนี่ยนะบอกได้ไหมว่าไม่ได้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่ะ สัญญาเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงบอกไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่ะก็คือเอกาตามเห็นว่านั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเนี่ยมันเป็นทางเดินเพื่อวัตะ พระองค์สอนให้ต่อต้านวัตะว่าอย่าไปตามเห็นนะถ้าตามเห็นว่านั่นของเราเราเป็นัน่นนั่นเป็นอัตตาของเรานั่นเป็นปฏิปทาเพื่อสร้างวัตะถ้าเห็นตรงกันข้ามเพื่อวิวัตตะถ้าไม่ตามเห็นว่านั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเป็นข้อปฏิบัติเพื่อออกจากวัตะแต่ก็ไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยนะบอกมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรามานั่งบนบนไปอย่างนั้นอันนั่นกระ น, น, นั่งบนนะไม่ได้ตามเห็นอันนี้เห็นทุกเรื่องนะทุกขนันทุกขนันเลยแหละ สังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเซิงใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสศกเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเซิงใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือห n อที่จะตามเห็นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่ะแล้ววิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะนี่ยนะก็คือวิญญาณก็คือจิตที่อาศัยวัตถุกับอารมณ์เนี่ยเกิดขึ้นใช่ไหมก็คือ เอสิ่งที่มีเวทนาสัญญาสังขารสร้างขึ้นนั่ะคือวิญญาณวิญญาณเกิดเพราะอะไรเกิดก็เพราะเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดนั่นแหละวิญญาณมันจึงเกิดขึ้นเวทนาก็ไม่เที่ยงแล้วสัญญาก็ไม่เที่ยงแล้วสังขารก็ไม่เที่ยงแล้ววิญญาณที่มันเกิดร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านั้นอ่ะมันจะเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะ สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นว่านั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่ะพระองค์ก็บอกว่าเออไหนไมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระองค์ก็บอกว่าเพราะเหตุนั้นแหลเพราะเหตุนั้นแหลแต่สมา แต่สมารเราเพราะเหตุนั้นแหละเหตุนั้นเหตุไหนก็เหตุที่มันไม่เที่ยงด้วยมันเป็นทุกข์ด้วยมันเป็นอนัตตาด้วยเหตุที่เธอก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ควรตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเพราะฉะนั้นแหละที่สุดทั้งหลายรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประณีตไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั้นก็เป็นเป็นรูปทั้งนั้นแหละ มันจะดีดมันก็คือรูปอนาคตมันก็คือรูปปัจจุบันมันก็คือรูปภายในมันก็รูปภายนอกมันก็รูปอย่างหยาบมันก็รูปละเอียดก็รูปใกล้ก็รูปไกลมันก็รูปทั้งหมดมันก็รูปทั้งนั้นแหละรูปที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเธอเพิ่งเห็นด้วยวิปัสสนาปัญญามรรคปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเรียกว่าย้ำไว้เลยจำไว้เลยให้มันแม่นให้มันด้วยเรียกว่าอนิจจานุปัสสนา เป็นต้นทุกขานุปัสนาอนัตตานุปัสนาที่เรียกว่าอานิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาเนี่ยให้มันแม่นเลยนะอย่าเพลอเด็ดขาดเลยไอตาเมียมันนั่นเมื่อไรมันก็ไม่ใช่ของเราเมื่อไรมันก็ไม่เป็นเราเมื่อไรมันก็ไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะใช่ละเชื่อแล้วตอนฟังธรรมนะไอ้นั่นของเราเสร็จหรือ ย, ยังเน้อเนี่ยนะก็ของเราออจนได้นะ เอแล้วพรุ่งนี้เราจะทํำยังไงเป็นต้นเลยนะก็โอ้โอเราเราเรานีา่ยคือเราเดินตามวิธีการของเรานี่มาตลอดเลยนะชีวิตนี้ไม่ค่อยเดินตามวิธีการของพระพุทธเจ้าถ้าลองเชื่อตามวิธีการของพระพุทธเจ้าบอกไม่ช้าสักเท่าไหร่เนี่ยนะฟองก็บอกวันเดียวท่านเหล่านี้ท่านก็พายเดวันท่านก็บรรลุกันหมดแล้วสี่ห้าวันเจ็ดวันท่านก็บรรลุ ก, ร ก, กันเรียบร้อยแล้วเพราะท่านทำตามอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนอยู่ของเรามันทําตามอย่างที่พระพุทธเจ้าอยู่สักชั่วโมงหนึ่งเอออะไรเงี้ยนะก็ถ้าจะยากเหมือนกันนะ สักวันหนึ่งเธอน้าเนี่ยนะน้องเรื่องนะสักวันหนึ่งเธอน้าเหมือนกันวันไหนก็วันเนี้ยเช้าสายบ่ายค่ำนีนะ่แหละเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะเวทนาเวทนาที่มันเกิดขึ้นเพราะรูปเวทนาเราอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกยาบละเอียดเลวประณีตไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั้นมันก็สักแต่ว่าเวทนามันก็คือเวทนาทั้งนั้นแหละ มันจะอดีตมันก็เวทนามันจะอนาคตมันก็เวทนาปัจจุบันมันก็เวทนาภายในก็เวทนาภายนอกก็เวทนาชั้นเลวก็เวทนาชั้นละเอียดก็เวทนายาบก็เวทนาประณีตก็เวทนามันอยู่ใกล้อยู่ไกลมันก็เวทนาทั้งนั้นแหละตอนแรกบอกเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรไหมที่จะตามเห็นว่านั่นของเรานั่นอัตตาของเราเป็นต้นบอกไม่ควร เพราะฉะนั้นให้เธอเห็นเวทนานั่นแหละด้วยอานิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาด้วยอนัตตานุปัสสนาเพื่อมรรควิปัสสนานี่นะตามความเป็นจริงไว้เลยด้วยสมถาวิปัสนา inta, ตามเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราจําไม่เลยเราเลือกไว้เลยว่าความรู้สึกทุกชนิดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเร า, ไ ม, เราไม่ใช่อัตตาของเร <S <S าเพราะเวทนามีอะไรเป็นเหตุเกิดบอกมีภัสสะเป็นแดนเกิดเนี่ยนะก็เราถามเวทนาเป็นของอะไรเป็นของ ภาษสถ้าภาษาเกิดเวทนาเกิดถ้าภาษาดับเวทนาก็ดับแต่มันก็อดกัของเราไม่ได้อีกอยู่ดีก็ของเราไงเอ๊ะถ้าไม่มีเราแล้วเอ๊ะบุญบาปที่เราทำํำมันจะไปอยู่ไหนกันเนี้ยนะเอาให้ขนาดนั้นเลยนะว่ า, วาคนที่เบลเบลเนี่ยนะก็ว่ามันจะตรวนเรยุ่งไปหมดเลยพ่านก็การศึกษาพระธรรมเนี่ยต้องพยายามศึกษาให้มันรอบครอบถ้าศึกษาไม่รอบครอบเนี่ยนะศึกษานี่พันโน่นโตนี่มั่วยุ่งวุ่น ว, วาย สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบละเอียดสามประณีตไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั้นเป็นสับแต่ว่าสัญญาเธอทั้งหลายเพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเมื่อกี้ถามกันแล้วใช่ไหมว่าสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเรราไม่คว สังขารทั้งหลายหรือสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประณีต้ไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั้นก็เป็นสักดิ์แปลว่ากองสังขารทั้งนั้นแหละเธอทั้งหลายเพึ่งเห็นสังขารเหล่านั้นด้วยวิปัสนาอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตตานุปัสนาเพื่ออริยมรรคเขาวิปัสนาตามเป็นจริงอย่างนั้นว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั้นเป็นสักแต่ว่าวิญญาณที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะเธอทั้งหลายพึ่งเห็นด้วยอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตานุปัสนาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะตอนแรกบอกว่าเกิดก็เป็นทุกข์แกก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็ทุกข์พลาดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักก็ทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังก็ทุกข์ไอตัวทุกข์มันคืออะไรก็คือขันห้าแล้วขันห้าเนี่ยมันก็เป็นอนัตตาด้วยเพราะมันป่วยหมดเลยรูปก็ป่วยเวทนาก็ป่วยสัญญาก็ป่วยสังขารก็ป่วยวิญญาณก็ป่วยแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เที่ยงไอสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดามันก็ไม่สมควรเลยที่จะยึดถือเพราะฉะนั้นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกยาละเอียดสามประณีตไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั้นก็คือขันห้าที่เกิดก็เป็นทุก estry, แก่ก็เป็นทุก adel, ที่เป็นทั้งอาพาธสรุปว่าตัวที่เป็นอนิจจังและทุกขังอนัตตาเ น, นะนี่ยนะจริงๆคำพูดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อกําหนดรู้ถ้ากําหนดรู้ทุกเท่าใดเนีย่ยนะก็ละสมุทัยเท่านั้นถ้ากําหนดรู้ขันห้าโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่าใดเนี่ยนะ ถ้าเห็นขันห้าโดยอ น, นิจจังเท่าใดก็ละโทสะเท่านั้นหรือละมานะเท่านั้นถ้าเห็นขันห้าเป็นทุกข์เท่าใดก็ละตัณหาเท่านั้นถ้าเห็นโดยความเป็นอนัตตาเท่าใดก็ละทิฏฐิเท่านั้นเนี่ยนะท่านก็อริยส า, าวกผู้ได้ฟังอย่างนี้เนี่ยนะย่อมเบื่อนายแม่ในรูป คำว่าเบื่อนี่ยเบอกว่าก็คือรูปเป็นของรอ้นอนนี่แหละก็อันเดียวกันนะนะก็เบื่อหน่ายในรูปก็คือแม้มันพิษภัยทุกโทษทําไมมันโทษมากมายขนาดนี้นะนะอะไรจะมีโทษเท่ารูปไม่มีอีกแล้วก็เลยเบื่อหน่ายในรูปก็เพราะเห็นว่าเห็นรูปมีโทษจึงเบื่อหน่ายในรูปก็เพราะเห็นเวทนามีโทษจึงเบื่อหน่ายในเวทนาเพราะเห็นสัญญาสังขารและวิญญาณมีโทษจึงเบื่อหน่ายในเวทนา ส, ญญาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกําหนัตเพราะคลายกําหนัตจิตก็หลุดพ้น เรีว่าเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดหลุดพ้นพ่อรู้โดยชอบนั้นหลุดพ้นพราะรู้ว่านี้ทุกเป็นอย่างนี้สมุทัยเป็นอย่างนี้นิโรธเป็นอย่างนี้มักเป็นอย่างนี้เนี่ยนะทำที่ดับทุกเป็นอย่างนี้จิตก็หลุดพ้นเรียกว่าจิตหลุดพ้นตัว น, นี้เราาียกว่าจิตที่หลีกออกวิราคาบแปลว่าจิตที่หลีกออกหลีกออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะน้อมไปหาทำเป็นที่ดับรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณท่านก็ใจก็หลุดพ้นจากรูป มัคจิตเนี่ยนะก็คือใจที่พ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณใจที่ไม่ได้มีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณใจที่หลีกออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณได้สําเร็จเรียกว่ามัคจิตเรียกว่าวิราคะเนี่ยนะเรียกว่าหลุดพ้นเนี่ยเมื่อจิตหลุดพ้นก็ปัจเจกขณะญาณก็เกิดขึ้นว่าหลุดพ้นแล้วเนี่ยหลีกออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสร็จสิ้นแล้ว ที่จริงพระโสดาบันก็หลีกได้บางส่วนนะนะยังอลัยอาวรขันหลายส่วนพระสกะทาคาร ม, มีก็หลีกจากขันได้บางส่วนอาณาคาร ม, มีก็หลีกได้อีกหลายส่วนแล้วก็ผ้ารหหลีกได้ทุกส่วนไม่มีขันไหนที่พผ้ารหารจะหลีกออกไม่ได้นี่นะเช่ว่าจะไปเยื่อใยด้วยตันหามานะทิ่ถิไม่มีพระโสดาบันนี่ละเยื่อใยด้วยที่ิ่นได้เสร็จแต่ก็ยังด้วยตันหาและด้วยอะไรนะตันหามานะไม่ได้พระอาณาคามีตันหาบางส่วนละได้แต่ก็เหลือมานะ พาหันเนี่ยหลีกได้เสร็จสิ้นเนี่ยไม่มีเยื่อใยด้วยตันหามานะและทิฏฐิในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็มีปัจเจกว่าชาติสิ้นแล้วแปลว่าปฏิสนธิในพบใหม่ไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะพรหมจรรย์อยู่จบแล้วเรียกว่าอยู่ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาเสร็จสิ้นแล้วกิจ16ที่ควรทำในอริยสัจสีก็ทาเสร็จแล้วกิจอื่นเนี่ยนะกิจการเจริ อริยมรรคเพื่อกําหนดรู้ทุกเป็นต้นเนี่ยไม่ได้มีอย่างนี้อีกต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสพระสูตรนี้แลพระปัญจวัคคีย์ก็ยินดีเพลิดเพลินภาสิทิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสวยากรณ์ภาสิทธินี้อยู่จิตของพระปัญจวัคคีย์ก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นจบก็บรรลุเป็นผ้าอรหันต์กันหมดเหลือแต่พวกเราที่นั่งอยู่นี่นะทั้งสวดทั้งฟังทั้งอ่านทั้งสาธยายก็อยู่อยู่ที่เก่าเนี่ยนะ ก็คนบุญน้อยนะก็กำลังบ่มอินซียูอินทรีมันยังไม่แก่ศรัทธามันยังไม่ค่อยแก่เนี่ยนะศรัทธาทนะิริยะสติสมาธิปัญญาไม่ค่อยแก่เท่าไรเวน้นแต่ผมขนเล็บฟันหนังแก่ไปเรื่อยเนี่ยนะแต่นี้ก็ปัญญาก็ทํำยังไงมันจะได้แก่แก่ขึ้นมันแก่กล้าเนี่ยนะแก่กล้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะแก่กล้าขึ้นไปบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะวันพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนะี่ยบรรลุเป็นผ้าอรหันพร้อมกันในวัน ถ้าคำหลังจากนั้นอีกวันสองวันเนี่ยพระนาระกะก็ไปทมปัญหาพระนาระกะที่ที่หลานของอสิตาฤษีเนี่ยนะ อ, อสิตาฤศีเนี่ยนะหรือการลเทวินดาบทนั้นเป็นเป็นอาจารย์ของพระเจ้าสุโทโธทนะเนี่ยนะที่ไปเที่ยวเทวโลกมาที่รู้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้ากลับไปวางเนี่ยไปสั่งให้ลูกน้องสาวออกบวชเลยทั้งท้มีรัพย์80โกดนะบอกหลานบวชเลยไม่ต้องฟังคาของใครทังนั้น รอฟังว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกแล้วไปเฝ้าแล้วฟังธรรมจะได้บรรลุอสิตาก็เลยเข้ามาถามพระพุทธเจ้าวันที่เจ็ดหลังจากแสดงธรรมจักก็มาถามก็ประมาณแรมหกค่ำเจ็ดค่ำเนี่ยก็มาถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สอนนารกะปฏิปทาท่านก็ไปปฏิบัติโมนยะปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นมุนีเนี่ยนะท่านก็ปฏิบัติไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ก็ปรินิพานภายในเจ็ดเดือนนั้นหลังจากนั้นหลังจาก วันนั้นไปอีกเจ็ดเดือนท่านก็ดับขันปรินีภาเรียกว่าพระนาละกะในพู้าศาสนาของพระพุทธเจ้าจะมีอย่างนี้หนึ่งหนึ่งท่านผู้ที่จะสันโดษในการเห็นในการฟังพระธรรมเนี่ยนะขอฟังครั้งเดียวไปปฏิบัติและบรรลุเลยเนี่ยนะแล้วก็ไม่จะไม่มีการไปอยู่อาศัยหมู่บ้านใดซ้ำสองครั้งไม่มี ไปอยู่โคลนต้นไม้โคลนใดแล้วซ้าไม่มีมันอุกฤษมากท่า น, นปฏิบัติอุกฤตชีวิตของท่านอยู่ได้ประมาณเจดเดือนก็สิ้นชีวิตแต่ว่าท่านไปฟังธรรมหลังจากที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมมาจากเจ็ดวันเนี่ยนะส่วนหลังจากนั้นกลางๆพรรษาไปแล้วเนี่ยนะพระยะศกุบุตรจึงจะมามันเกี่ยวกับเรื่องยศกุระบรก็ไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกัน